จำเป็นก็คืออุปชาอาจารย์เก็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เก็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสตรงหารยเกิดความขัดสนตลอดถึงการซ่อมแซมพุทธวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ ไปด้วยสัตตหากรารณียกิจได้ภายในเจ็ดวันแล้วกลับมาค้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั่นจะสำเร็จดูร่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมมีหารหรือกุฏิที่จำบุษสุดโรมหรือบิดามารดาเก็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศ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 พระ ก, กรรมฐานเรานี้นับวันจะกโกโลโกโสไปโดยลำดับลำดานี่ที่น่าสรุปสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายใน จ, ใจิตใจ มีแต่การจะสะจะสแสวงหานะโลกามิตซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอธรรมที่เป็นเครื่องสงบลมเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใ จ, จซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้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 ใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้านั้นคือองค์แทนสัสดาพระองค์จะปริพัน์ไปแล้วทมก็คือรรมสวากขาธรรมตรักไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสําหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่จะต้องถึงจุดที่หมาย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 เป็นเรื่องที่คว้าน้ําเหลวคว้าน้ําเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทนนี่อันนี้สําคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อา่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยกตลอดจึงต้อง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 พระเนนทั้งหลายเนี่ยวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายัางขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทําได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแหละผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตาโลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้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 จึงต้องเลยใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เลืองนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงมก็ไม่ได้เหลืองถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษา มีกําลังวางชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ข้ออยู่และไม่อยู่ยิ่งกําลังไหวอย่างพวกเราท่านๆ น, นี่แล้วสตินี้ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสมุขสมบัติอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทําก็ทํา ว่าจะทำได้ก็ทว่าจะทาได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้เพงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตเป็นความสงบร่วมเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบน้ ร, ร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังประตำตามกันเครื่องเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูล คือร่างตังขานร่างกายของเหล่านี้มีกําลังมากอกิเลส ก, ก็พาดีดพาดิน้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทันมีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทําลายเราต่อหน้าต่อทานั่นแหละนี่ที่ทาให้น้ําตาล่วงไม่เลืมเวลามันผาดผลผาดผลจริงๆเรื่องกิเลสนี่ โผล่จนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้นๆ้นอย่างผ่าในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบั่งเลยทั้งๆ ท, ที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่าทำลายความเพียรไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลําดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดิดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอียาบทนี่เป็นสําคัญมาก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 โดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็กว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนบุญบายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกทธก์ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคาตัหา เมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงบุ่นใบกับรูปนั้นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภะ ค, คือข่าสึขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกินนวดเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภายกว่าสิ่งทั้งหลาย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจงสั่งสอนเป็นหลักสำคัญว่าอัตตะนะอนันดาเวลาพระ อ, อนนทูลถามการปฏิบัติต่อสตรีภาพนปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูช่เลย อ, อน์ดีนะถ้าเยใจได้เห็นได้ยินจะ มีจะทำยังไงไม่พูดดีนะ่ะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีหยับไปให้เป็นไปทำนาแห่งตัณหาราคะตัณหารั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวไร อันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ร่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าหละมหมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลทำกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทาความชั่วช้าหลามมกอันนี้เป็นสิ่งดุลแรงมากถักดันได้ยัง ลึกลับแล้วกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรอเครื่องจองจําก็คือตัวนี้เป็นสําคัญสําคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สําคัญ ถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชาติภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลําบากมากทีเดียวสําหรับผู้ปฏิบัติเพื่อาจเพื่อทําจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลําบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพิดเพลินไปตามมันนั้นพวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่บรรพบวันนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได เพลิเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่อตอาตตธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกสะดุดตึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์ อย่างราคาทันหานี้ขึ้นในขนาดใดมันจึงทันกันทันทีทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นค่าสิทต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดผดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ถามพอสังขารประเภท ราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกสะดุดกึกนั่นมันบุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันพับมันก็ดับมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกําลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกําลังมากแล้วไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมัน นี่อันนี้แหละควร น, นักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำามาไว้ให้ทำความเข็ดหลากต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ ด, ดูดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ร่มจมอยู่ด้ดยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละ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 ซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมพุติอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต้อปะแทบอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทางานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นอื่นไม่ทันแต่อารมณ์มันนี้สะดุดเกึกสะดุดเกลืไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงข้องมันด้วย ประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก่มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปทิ้นไปจากหัวใจรุงขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกําจัด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 หรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เองเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข้มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้ไป น, นั่นขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้ <c oughs> เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้ว จิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยท่วงคือมันถูกกดถูกท่กวงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคร์ให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาหิวหิ ว, ว ถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสัมฤทธหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาวิววิววิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทําให้หมดความอาลัยตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือ มีอันเดียวนี้เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกแต่และความเดือดร้อนวุ่นวายทุกทรมาแนแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อ ร, รู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดบ้านลงไปจากใจไม่มีเนื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความดุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้ดุนแรงมันก็ระงับดับไปหมด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 เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสําคัญเรายกอวิชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทํางานตัวนี้ตัวทํางานทําเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทําให้สัตว์โลกพินาศสัตโลไปเพราะ อ, อํานาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทําก็คืออันนี้เองโลกมากจะเป็นอะไรไปโลกเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ ไม่ใช่อะไรความรุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันนี้สาคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างที่เดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ควนควายให้ดิ่นให้ดีดไม่มีเว ล, เวลากลางค่ากลา ง, งคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ประช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละ ไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใ ย, ยไม่อยากตัดนั่นฟังงซิอันหนึ่งมันักแทรกขึ้นมาก็จะตัดก็ห่วงใ ย, ยความห่วงใ ย, ยก็คือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองอ้ยอยอิงเสียดายก็คือตัวมันเองทําจิตท่องเราให้เครืออยู่นั่นตลอดเวลา จนกว่าจะมีกําลังใจกําลังสติปัญญาเข้าต่อท่านกันเข้าต่อท้านกันแล้วทำแท้ขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลําดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไวา้ไม่อยู่อืยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของหมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่าง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 โทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลําดับลําดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆเน็นคุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของอจิตเรียกว่าภาวนาบัญฑิปัญญาหรืออัตนาอัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกัน ทั้าหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบัน้นหาเงื้อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความปวดความท่วงห่วงใหยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึงเลยถึงว่าเป็นเหมือนสัมฤทธิเบาหวิวหวิวอ๋อ เป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอํานาจวาจันนาออทําให้จิตดวงนี้ได้หมุนติว้ว จ, จนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปนนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทําเป็นผู้ให้สอบแสวงหา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 ที่ท่านพ้นนี้แล้วท่านไม่กลับมาที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่ใช้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาอยู่หมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใหญ่กับสิ่งทั้งหลายแล้วอแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิต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 แต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละนี่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดเมหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วทั่วไป อย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาตเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาตห้าชั้นมันเสียอือวิหาอัตปาสุตัสสาตุสีเยเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยๆแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคติฐาเ น, นี่มีขั้นจะสุดยอดลเลยสุดสุดของทีเด็ดของสมมติ ถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดึงท่นวันนี้ผ่านท่านนี่ละกิจผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างหนึ่งไม่ปฏิบัติไม่รู้ผู้ที่เจ้าทรงสแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆนันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเรา เรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเทศทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำลับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตน้งหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริญัตคือการศึกษา เ, าเรียนมาแล้วก็เหมือน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 ทันว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ล้ำพังความจําพุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี้แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากําหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกําหนดพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกําหนดอนาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออก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 นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมัน่นในตำลับธรรมลาก็เวลามาสงบมาตั้งมัน่นก็มาตั้งมัน่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำลับธรรมลาเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัติ น, นี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติที่ คือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยฉั้สอนทางด้านปัญญาก็พิพิตพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาดีอริภอรุยพังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิปูลโสโคก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 เป็นสันติโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาหรือราคาตันหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธ ไม่ใช่กิตที่ดับศูนย์เป็นกิตที่บริสุทธิ์พุโทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของธาเทียบกทุตวันนี้เขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นเป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความขังบลในการเกิดการตายกอนการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในกิจที่บริสุทธิเพราะความชำระสักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้ บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสตาก็บรรลุธรรมหรือตรัสจ ร, รุธรรมอย่างนี้อย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงสินงส้นเชิงหลุดพ้นที่หวัวใจนี่แหละคือสมบัติอันุค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักพอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจสี่ เป็นหลักฐานอันสําคัญมาก้าปฏิบัติเราดําเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและความและเพื่อความรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงมีมุดหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธทเจ้าจะปริพานไปแล้วสวาคารธรรมที่ตรัสไปชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบุกร่ก้องไปตามองศาสดาที่นิพพานนั่นเล ย, ยเราจรึงควรจะตั้หนักใจให้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 ถึงเรื่องอัดเรื่องธทำเพื่อเป็นสาระคุณเกียใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลาดับปรหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความถุกที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกมาเผาลนเจ้าของตอนนั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจ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 ผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไปแล้วนั่นนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิงลูกอัลัฟไปหาใครที่จะแนะนําสั่งสอนข้ออัดข้อทาให้เป็นที่แน่ใจตาใจในทางด้านปฏิบัติคิดแต่พอนานี้จะไม่มีแล้วนะอืจะหมดไปหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมลมแรงแรงแล้วลือทั้งโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขรังทงั้งโน้นขรังทั้งนี้ซึ่งเป็นเรื่องติดฉานะวิชา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 ก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาถ้าเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ทำหนิติดเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังๆแบบนั้นลือทั้งน้นลือทั้งนี้ลือแบบรุ่มลมแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ําลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพรุทธเจ้าสุปฏิปโนชุญญาญาสามิกิปโน เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโครงแนว่อตอลักทำหลักวินยัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรจะทําหน้ากราบไหว้บูชาแล้วสําเร็จมรักผลนิพพานขึ้นมาท่านนี้กบุญยักเขตดตางโลกาสะเป็นเนื้อหน้าบุญของโลกโดยสมบูรณท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรักเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรักผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นหนังนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเต่านี่คาถานั้น ดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดีดิฉารวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดของกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อเข้าเพื่อของส่วนเพื่ออภิธรรมไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะก็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 เขาเหมือนเราเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านจะประดิมีใครประดิมีไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่อที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหนเสื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามายากการแสดงออกอส่วนทำแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ไม่ค่อยมีและไม่มีนันจึงได้เสื่อม ศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโกโก้ไปอย่างนั้นแหละเออนี่จริงหน้าทุเรศต่อมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเหล่านี้เป็นชาวพูดเป็นยังไงถึงไม่ต้องกัดต้องฉีกกันใชจนแหลกจนเห ล, เหลวไปไปหมดเปยังไงพุทธศาสนาทํามันได้ลงขอแล้วเหลยพิจารณาสิืึคนอามีธรรมจะต้องพิจนาไก่ไก่ทองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่าจิตใดการใดงานใดมีแต่เรื่องลีดเรื่องไถ่เรื่องคดเรื่องโกง โอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพูดเราที่เป็นเวลานี้ด้วยด้วยคาําว่าอ้างว่าชาวพูดชาพูดมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้แล้วไม่ได้พิษิี่นี่พี่ดาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็อะไรพวง ก, ก็ไมไ่เห็นตัวอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำนํำมันโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวตัวตงแตหลาด น, นั้นเนี่ยที่เป็นหน้าทุเรศเอาเลือกเกิน ตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันชิดหมุนติ้วติวอยู่พูดให้มันเต็มปากนี่แมันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวธรรม ท, ที่ที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามมันว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายขริยามารยาทที่แสดงออกางไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกอยู่ประกาศประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี้ศาสนาคืออะไร มันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหรมันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหรมนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่พืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิ응แล้วทํำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทัว่วไปให้เกิดประโยชน์ ทั่วกันไปนั่นนั่นจรียๆเป็นคนฉลาดโดยอดโดยแท้